กายขอเราเป็นพิษมีกายก็เป็นพิษมีใจก็เป็นพิษมีตายมีหูมีจ ม, ม, ม, มูกมีตายก็จะเป็นพิษของเราทั้งนั้นข้งนั้นอะไรเรามันเป็นขุนใจเราก็เป็นพิษนั่นแหละทําให้เกิดขุนก็มันเป็นพิษนั่นแหละก็กแบบไม่ใช่อื่นไก่คือจะพูดทั้งเรื่องพิษไปก่อนตาเห็นลูก เป็นเหตุให้เดือนร้อนวุ่นวายหูได้ยินเสียงกับเป็นเหตุให้เดือนร้อนวุ่นวายบางทีก็เห็นสิ่งที่ดีก็อชอบใจเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจฟังสิ่งที่ดีก็ชอบใจฟังสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจลีนในกายใใจก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมา มีร้ามมดทุกอย่างขอ้สัมผัสเกี่ยวของทั้งเรื่องของไม่ดีและของดีคนตกนรกไปอาบายภูมิกับเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดจากตายเกิดจากตาหูจมูกนิ่กายใจใน่ทั้งนั้นคำว่านรกนรกคือมันรกมันไม่สบายใจ มองสิ่งใดฟังสิ่งใดเป็นเรื่องลำคาญทั้งหมดคิดนึกรู้สึกในภายใดองเป็นเครื่องลำคาญนั่นยังวะมันเป็นอับบายมันเป็นภายเยอะตลอดรอบข่างจะไปไว่าไหนมั่งก็อยู่กับตัวของเราเขาไป ใ, ใครไปฝากกับใครก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวของเรานีนท้งนั้น แต่ใจอย่างเดียวมันมีตาหูจมูกร่างกายมีมพร้อมมันใจมีตาไม่มีใจมันก็เห็นหูมันก็ได้กินจมูกมันมีแล้วในใจกินแล้วสดพระมันมีอยู่หมดสมบูรณ์จูงเป็นเรือนใหญ่เป็นเรือนของมอรดกใหญ่ สิ่งที่ดีได้ไม่ดีไปรวมเปนินหมดเดียมีกายของเรารวมเรียกว่ากายเมือ่อมีสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเปิดเตือนเดือดร้อนรุ่นร้ายทั้งตาหูจะหมูกจีนกายตกนรกทางเป็นลุ่มใหญ่รุร่มโตนรกกองุวมนี้ไม้มีวิีทางแก้ไข จ ะ, ด ะ, จะด ไ, ได้รัการได้รับได้เหตุนั้นแปงว่านาโลกอยู่ในใจไวใจเพียงเดียวไม่มีที่อื่นที่ใครที่ท่านกล่าวถึงเครื่องนาลกใต้ดินหมายความใจมันต่ำมันยังลงไปใต้ดินอยู่ใต้ดินใจมันตกต่ำแล้วไม่มีดีเลย แตมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ได้อยู่ในชั้นมนุษย์นี่ก็อยู่ไมไคือคนธรรมดาช้างมองกันได้ยินเสีย ง, งต่างๆท้งหัวจะหมูเลี้ยงกายใจมันก็ดีพอดีอยู่กับมนุษย์มันไม่เดือดร้อนหมุนตายอันนี้มันต่ำลงไปกว่านั้นอีกเห็นใครทั้งหมดไมดีทั้งนั้นทั้งแะมนุษย์ไม่ดีทั้งหมด ถูกเปลี่ยนเรียนถูกก็จะอะไรต่างรวมต่ำเร็วตามเข้าไปกว่ามนุษย์นี่อีกจึงตกงลงไปนรกความข้อ น, นั้นที่ท่านกล่าวงเรื่องนรกถ้าหากเห็นตรงนี้แล้วไม่มีสงสัยแล้วนรกอยู่ใต้ดีนไม่มีสงสัยเ ห, นยสสยเห็นชัดเลยตนเองเลยนมองๆทางตามทางเร็วตาม สวาหวานไปอยู่ในที่นี้และก็ไม่เอาที่อื่นไม่เอามอาไปจากที่อื่นก็เอาจากที่เดิ ม, มแม่แหละแต่มันกลับกันกรงกระถางเห็นสิงต่างๆงเพิดเฟลินเรน จ, จริญใจสิ่งต่างๆทังหลายลนั้นก็ในส่วนของดีไม่ใช่ดีอย่างโลกแบบ น, นี้ดีอย่างสวรรค์ โลกวันนี้เราดีกันก็นักก็อชอบเพียงแค่นั้นนักกันชอบกันยินดีพอใจด้วยกันเพียงแค่นั้นในโลกโลกมนุษย์โลกสวรรค์ต้องดีกว่า น, นั้นอีกทั น, นุ้นทานทาการทุกส่วนต่างๆเพื่อเพลินเจริญใจเห็นจิ่งในปรกฏสิกนั่นที่ปรกฏกับตาก็ดี แล้วีก็หูไหวพอใจยินดีเพื่อเพลินกาคิดถึงนู่นก็พุณประทาประสงค์นู่นไม่ได้เพีมมยงแต่มนุษย์มนุษย์เราคิดแต่มนุษย์คนด้วยกันนี้ยินดีพอใจเท่ากันอันนั้นได้ยินได้เห็นเนี่ยเชยินดีพอใจอย่างเราเห็นลูกไม่ใช่ลูกคนลูกคนไว้อของตัวกบ อ๋าเขียน่าเบื่อน่านายรูปคนธรรมดาเห็นกันสวยสนงดงามก็สวยสวนงดงามภ า, มามพถ่ายใครมันดีพอใจส่วนเห็นรูปสวรรค์นั่ยเป็นอย่างนั้นเห็นรูปมนุษย์เนี่แหละมันเป็นของปฏิกูลโสโครหน่าเบื่อหน่ายย น, นดีพอใจกับที่เราเห็นนั่านั้น เพเพิดเพินเจริญใจนีเลยในการที่เห็นในทางพุทธศ า, นาสนาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นรูปไม่ใช่ถ้าเห็นรูปธรรมดาธรรมดาพพรูปพระุทธรูปคองสดสวยงดงามรูปดองไม้เครื่องบูชาเครื่องตกแต่งรูหระเจริญใ จ, จเพิดเพลินจจเจริญใจคิดจะมาบูชา คุณเมไปทำประสยช์มนุษย์ไได้คิดบุยชาคนเราเม่อเราบงทีเห็นคิดได้ยินก็นเช่นอันเหมือนกันก็จะจะยินเสียงเคาะยินดีพอใจเิพื่อคว ร, ะระจะเลยในกาบคุณหาอย่างมนุษย์ของเรานั้นเสียงเคาะคิดถึงตัวมันเองตัวมันจะสวยสดงามอย่างนั้นอย่างนั้นเกิด ค, ความรักใครพอใจยินดีอะไรต่าง ม น, น, นธรรมดามนุษย์ทุคนเราแต่คี่สร้างให้เป็นลีมานชื่อมานั้นในแต่ย่างนั้นเสียงที่เพราะก็คิดถึงสิ่งที่ดีที่ ง, งามคือผู้ประทาระสมได้ยินเสียงพราะาเลื่นึกถึงผู้ธรรมานผสมในทางปฏิบัติ่อยใจยินดีเพื่อเสริมในเรื่องปฏิบัติในทางธรรมดาได้ยินเสียง เทศยังตรวจก็ะสนอกโทจเกิดความเพิ่มปีติมาทำคำสองของพระเจ้าคำสอนที่แสดงออกมาอิมมอกอินใจนัดอันเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ให้เกิดทษที่นำความสุขเจริญมาให้อิมเอื้อมปีติอยู่คนเดียว ควรลดชาติอะไรต่งตางๆธรรมดารดชาติไมได้ริมรสชาติอะไรอร่อยคิดถึงการกุศลคิดถึงบุญที่เราจะต้องทําต้องจายค่าบริจารส่วนรดธรรมดาที่ม น, นุษย์ชาวโลกเราได้ริมรสชาติเะ็รอร่อ ย, อยคิดถึงลูกถงเมียคิดถึงลูกถึงผัวยังให้เด็กกินด้วยกัน ไปอย่างนั้นเมื่อันเป็นธรรมดามดาข อ, ของมนุษย์คิดที่จะให้ที่จะให้เกิดสวรนมันต้องคิดถึงการบุญการกุศลเราชอบเราได้รับรับรสชาติอคิดอยากจะทำบุญจนทานจะทำบุญทำการกุศลแล้วอิ่มเอิบพอใจทําผัสถูกต้องขายถูก ผกกล้องกายเราเช่ น, นั้นเหมือนกันใจคิดนึกรื่องอารมณ์ก็เช่นนั้นเหมือนกันมันกลับอันนี้แหละแค่ไปเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ก็กลับ อ, อกักลับ อ, อัดตรงนี้แหละจึงว่ามนุษย์คนเหลานั้นมีมุมทุกอย่างเอาแต่ใครจะสร้างเอาแต่สร้างให้เกิดบุญคุ้มนให้เป็นสวรรค์ขึ้นในที่นี้ก็ได้ สร้างให้ตก น, นรกปรเปจีให้เป็นเตระรัศกรายก็ได้ในที่นี่แหละมีทั้งดีและทั้งชั่วนในที่นี้ในคนที่สุดตาเเห็นลูกหมูปังเสียงลิ้นถูกกินสัมผัสกินกลายถูกสัมผัสลงมารวมที่ใจแห่งเดียวมารวมที่ใจทั้งหมดใจนี้ถ้าหากใจมัจมีมอวามแรงกล่าวมดนมไม่ไม่มีประโยชน์อะไร อย่างคนตายคือร่างกายนี่มันทอดทิ้งแล้วใจมันลาไปแล้วเอาไฟเผาเาไปรูร้จกักเจ็บชะร้อนอะไระต่ตาหูย่าหูลิ้นกายนี่ประโยชน์อะไรได้ไปรวมไี่ใจแห่งเดียวใจนั้นเป็นใหญ่ในสิ่งนักปฏิบัติหัวงห ม, มดเหมือนกับคนอยู่ในบ้าน เป็นพ่อบ้านในเรือนก็พ่อบ้านในเรือนก็นคนเดานั่นแหละบ้านใหญ่โตห้องฐานกับคอบคนเรานนวนาวต่างสุดเงินใหญ่เพราะพ่อบ้านในเรือนเนีต่างสนุนใหญ่ทําช่องประตูหน้าต่า ง, ห, งห้องห้องครับที่รับที่นอนห้องส้วมห้องทายครัวอะไรต่างๆมากมาไอ้คนเราดั่นแหละมันมีคนเนี่ยอยา่างไรต่าง ปีดเปิดอะไรต่างๆฝนดาวน์เนยปี๊เปิดแข่งค่อยๆกินเรนนั้นยังมารวมที่ใจแห่งเดียวอา้าใจอันนี้ดีแล้วมันก็ดีหมดถ้าใจนี้ไม่ดีก็ไม่ดีหมดลองดูสิเดือนในบ้านในเรือนหนึ่งคนขีเกียนไม่รักษาลองดูเจ้าก็ปกโลกก็เือเอเถอะวดบ้านเรือนก็ดี ในบ้านเรือนนั่นแหะมันคนผู้เจ้าของนั้นแหะใจไม่ดีเลียดโกรธกันทะเลาะวิว่าดกันลองดูอยู่ได้เวลาใจมนะันทะเละอยว่าดกันมันก็อยู่ไม่หลาเรือนนลีไวเผาทิ้งเสียควันทิ้งเสีทังประตูหน้าต่างห้องหับปัทงทงังวัดหันใจไม่ดีเลยเจ้าของไม่ดีก็บยัง เจา้าของดีแล้วก็รักษาสุขภาพเรยรอที่สามทุกอย่างใช้ได้ดีผู้ใจนั้นสำคัญที่สุดจึงควรรักษารักษาตัวนี้แล้วก็ตัยใจตัวเดียวดัวหมดเรื่องมันต้องไปรักษามันเป็นเองของคนนั้นมันเป็นไปตามหมดตามใจหมดเหนั่นจริงควรระวังสังวรที่ตัวใจแน่งรีง ให้ใจว่างง่ายสอนง่ายให้ใจรู้ใจฉลาดให้ใจเยือกเย็นให้ใจเห็นคุณค่าของความสงบเยือกย็นจึงจะนำมาถึงความสุขนี่แหละพูดมาแค่นี้แหละเรื่องนารกเรื่องสวรรค์มารวมกับใจแห่งเดียวถ้าใจ รกราบใจนรกมันก็เป็นสวรรค์ถ้าใจกลับสวรรค์ก็เป็นนรกอยู่สนิทหละเพราะฉะนั้นใครจะหาใครจะเอาอยัางไงก็เอาชอบอะไรก็เอาของต้นแต่งเอาได้ตนเอ ง, งนั้นพระพุทธเจ้าคนสอนคนบอกครูอาจารย์ก็คนบอกเป็นผู้บอกผู้สอนเรารู้แล้วเราทำรํเาทำเองก็ทําก็ได้เราไม่ทําก็ไม่ได้ หมดทิ้ให้เราคนเดียวเอาละ